สละเสียซึ่งความรัก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 เป็นบัญญัติทางพราหมณ์ที่ไม่ยุติธรรมเลยแต่อัตมนั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีวันนะฉะนั้นถ้าน้องหญิงต้องการจะให้น้ำก็จงเทลงในบาทนี้เถิดนางทาสีโกกีลาได้ยินดังนั้นจึงได้คุกเขา่าบรรจงเทน้ำลงในบาทของพระภิกษุ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 ทรงสะดับเสียงเถียงกันระหว่างพระอานุนกับสตรีจึงตรัสถามมาจากภายในพระคันธกุฎีว่านั่นเสียงโตเถียงเรื่องอะไรกันหรืออานุนพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้หญิงพระเจ้าข้าเขาจะตามข้าพระองค์เข้ามายัางวิหารให้เขาเข้ามาเถอะพามานี่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 รักหูของพระอานอนท์พระเจ้าค่าพะพคินีหูนั้นประกอบด้วยเส้นเอ็นและเนื้อภายในช่องหูมีของโสโรครกเป็นอันมากมีกลิ่นเหม็นต้องแค่ไข่อยู่เสมอครั้นชาราลงก้นหนวกดังนี้แล้วเธอจะยังรักอยู่หรือถ้าอย่างนั้นข้าพระองค์ รักจมูกอันโด่งงามของพระ อ, อนนท์แทนได้เจ้าคะ่ะภคินี้จมูกนั้นประกอบด้วยกระดูกอ่อนที่มีโพรงภายในมีน้ำมูกและเส้นขนกับของโซโรครกมีกลิ่นเหม็นเป็นก้อนๆ อ, อย่างนี้เธอยังจะรักอยู่อีกหรือไม่ว่านางโกกีลาจะตอบเลี่ยงไปอย่างไรพระพุทธองค์ ก็ทรงชี้แจงให้พิจารณาเห็นความเป็นจริงของร่างกายอันศสกกระปรกเปื่อยเน่านี้ในที่สุดนางก็นั่งก้มหน้านิ่งด้วยจนต่อเหตุและผลพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพคินิเอ๋ยอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ของโสกกระปรกโสโรครก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 นางก็ไม่ลืมที่จะชำเลืองมองพระอานนุนด้วยความเสน่หา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 ความเพลิดเพลินลงหลายเสียด้วยพุทธสุภาษิตของพระศาสดาเหมือนกับว่ารัสดปวดเราโดยเฉพาะช่างน่าละอายใจจริงๆที่เราเข้ามาบวชนี้ก็ไม่ได้มุ่งหมายเพื่อที่จะทำลายกองตัณหาอะไรเลยแต่เพื่อมาให้อยู่ใกล้บุคคลอันเป็นที่รักต่างหากเล่า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 ชวนเพื่อนภิกษุณีรูปหนึ่งไปหาพระอานนุพระอาหนุนนั้นเป็นผู้มีอัธยาศัยอัน ง, งดงามจึงต้อนรับนางด้วยเมตตาธรรมทำให้นางรู้สึกชุ่มชื่นเหมือนข้าวกล้าที่จวนจะแห้งเกรียมเพราะขาดน้ำชุ่มชื่นขึ้นเพราะฝนหลงฤดูหลังมา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 ตลอดคืนทั้งน้อยใจเสียใจและเจ็บใจในตนเองพระอนอนต์หรือก็ช่างใจไม้ไทรกรรมจะเห็นแก่ความรักของเราบ้างหรือก็ไม่มีเลย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 เราคงตัดอาลัยในพระอานุนได้เป็นแน่แท้แต่แล้วการเสด็จมาเยือนกรุงโกสัมพีของพระพุทธองค์หลังออกพรรษาก็กลับทำให้ไฟรักในใจของภิกษุณีโกกีลาคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลำพังความรักนั้นมีวงจรของมัน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 พระศาสดามีพระภิกษุสงอรหันต์มู่ใหญ่เวทล้อมเสด็จถึงกรุงโกสัมพีพระราชาทิบดีอุเทนเสนาอำมาตพ่อค้าประชาชนนับแสนอีกทั้งสมณะพระมนาจารย์ถวายการต้อนรับอย่างมโหฬารยิ่งดอกไม้หลากสี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 ก็ด้วยเหตุผลเพียงสองประการเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึ่งและเพราะความเรียกร้องของหัวใจอย่างหนึ่งเราเป็นภิกษุณีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดาเราต้องทำลายกา마ฉันทะให้หมดไปเราต้องทำลายทั้งความรักและความใคร่ี่เราจะต่อสู้กับความเรียกร้องของหัวใจได้ไหมเนาะ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 ได้แต่นอนพลิกไปพลิกมานม่อาจขมตาหลับลงได้พระดำรัสของพระศาสดาซึ่งทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายันยังคงแววอยู่ในสวดของนางไม่ควรปล่อยตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก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 ต่ออาการป่วยไข้ของนางแต่เมื่อมาพบเห็นอาการของนางโกกีลาภิกษุณีแล้วความกังวลใจของท่านก็ค่อยๆ ค, ค, คลายลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแทงทะลุความรู้สึกและอาการเสแสร้งของนางท่านไม่เชื่อเลยว่า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 เราก็ร้องไห้อีกหรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลังน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมกับกำมือนัน่นเป็นสัญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะหน่วงเหนี่ยวยึดถือส่วนคนตายนั้นทุกคนล้วนแบบมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสำนึก และเป็นพยานว่าเขาไม่ได้เอาอะไรไปได้เลยเมื่อต้องลาจากโลกนี้ไปอาตจจมานั้นเกิดแล้วในสักยะวงอันมีศักดิ์เมื่อตัดสินใจออกบวชติดตามพระพุทธองค์ก็มีอายุได้36ปีจึงกล่าวได้ว่าเคยผ่านความรักมาแล้วและได้ประจักษ์ว่า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 จงยืนมองดูชีวิตเหมือนคนผู้ยืนอยู่บนฝั่งมองดูเกลียวคลื่นในมหาสมุทรฉะนั้นน้องหญิงบัดนี้เธอมีธรรมะเป็นเกาะที่พึ่งแล้วจงยึดธรรมะเป็นที่พึ่งต่อไปเถิดอย่าวังอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรัก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 ธรรมดาว่าไม้จันนั้นแม้จะแห้งก็ไม่ทิ้งกลิ่นหัดสดินก้าวลงสู่สงครามก็ไม่ทิ้งลีลาอ้อยแม้เข้าสู่หีบยนแล้วก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตแม้ประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมพระาศาสดาทรงย้ำว่าพึงสละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม ระหว่างที่พระอานุนเทศนาปรดภิกษุณีโกกีลาไปท่านก็เหลือบมองดูอาการแห่งนางไปเมื่อท่านเห็นว่านางนิ่งฟังอยู่นิได้มีท่าทีต่อต้านท่านก็กล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นมั่นคง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 พระศาสดาทรงสอนว่าบุคคลอาจอาศัยอาหารและอาหารได้คืออาศัยอาหารเพื่อยังชีพแล้วจึงละความพอใจในรสแห่งอาหารนั้นหรืออาจอาศัยตัณหาละตัณหาได้เช่นอาศัยความทยานอยากจะบรรลุอรหัน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 ห้ามใจมิให้เลื่อนไหลไปยินดีในกามสุขเช่นนั้นน้องหญิงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามคุณนั้นเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีสุขน้อยแต่มีทุกข์มากมีโทษมากมีความคับแค้นเป็นมูลและมีทุกข์เป็นผล เมื่อพระอานุ์พูดจบก็คอยจับกิริยาของโกกิลาว่าจะมีความรู้สึกอย่างไรครั้งนี้ธรรมกถาของท่านได้ผลภิกษุณีค่อยๆลุกจากเตียงสลัดผ้าห่มออกแล้วจึงคลานมาหมอทบเท้าของพระอานุน นางสะอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งตัวนางพูดอะไรไม่ออกเพราะรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ความรักของนางมิได้รับการตอบสนองเลยแม้แต่น้อยยิ่งกว่านั้นเมื่อนางทราบว่าพระอา น, นุนมิได้เชื่อในอาการลวมของนางเลย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 อนุนนั้นปลอบนางอย่างพระอริยะแท้ภิกษุผู้เป็นปัจชามนะของพระอานุนต้องเบือนหน้าหนีไปทางหนึ่งด้วยเกรงว่าจะไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เป็นนานภิกษุณีโกกิลาจึงกล่าวออกมา แต่พระคุณเจ้าข้าจะพยายามกลั้มกลืนฝืนใจปฏิบัติตามโอาวาทของท่านแม้จะเป็นความทรมานสักปานใดข้าพระเจ้าก็จะอดทนและขอเธอทูนพระอนุชาวไว้เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงข้าไม่เจียมตัวเอง จึงต้องทนทุกทรมานถึงปานนี้ข้าเป็นเพียงทาสทูลหม้อน้ำซึ่งเพิ่งจะสำนึกตนเวลานี้เองความรักความอาลัยทำให้ข้าลืมชาติกำเนิดและความเหมาะสมใดๆทั้งสิ้นมาหลงรับพระอนุชาผู้สูงศักดิ์เช่นนี้ น้องหญิงเรื่องชาติเรื่องตระกูลนั้นอย่านํามาปรารมเลยอาตมาไม่ได้เคยคิดถึงมันมาเป็นเวลานานแล้วที่อาตมาไม่รักน้องหญิงมิใช่เพราะว่าเธอเป็นทาสีดอกแต่เพราะอาตมาเห็นโทษแห่งความรักความสเสน่หาตามที่พระศาสดาทรงสอนอยู่เสมอ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 ก็ละจากโกกิลาภิกษุณีมาด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดท่านได้เดินลัดเลาะมาทางริมสระแล้วนั่งลงพระอานนทอนใจยาวด้วยความหนักใจเป็นยิ่งนักท่านนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางครั้ง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 สามารถชนะตนเองได้พระศาสดาตรัสว่าผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามขอให้เราเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยพระอานุนตรึกตรอง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 จะต้องได้ตรัสรู้เป็นพระอาหารหันต์อย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งเธออย่าวิตกทุกร้อนไปเลยพระอานุนมีอาการแช่มชื่นแจ่มใสขึ้นเพราะพระดำรัสประโลมใจของพระศาสดาในวันนั้น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 ท่านทั้งหลายการสละคืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้น